ในยามเข้ายากมาแพงเช่นนี้ข้าไม่อยากให้มีการสิ้นเปลืองการทําคุณให้คนจอรจากประเภทนี้ไม่มีผลตอบแทนอะไรหรอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะห้ามเจ้าใส่บาปไป็นขาดข้าพเจ้าคือไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นทาตามคาสั่งข้าถ้าเจ้าขัดขืนเจ้าจะได้รับโทษอย่างหนักไปกลับไปทํำมันะ ท่านรรมณะนั่นใครนะข้าพเจ้าเองกจัจจยนะอ๋อกจัจจายนะหอกเหรออ่านั่งสิท่านหลับหรื อ, อยังกําลังเคลิมคล้มๆอยู่อุบาสกมีเรื่องอะไรถึงได้มาหาอาตมาในยามเดึกเช่นนี้ข้าพเจ้ามีเรื่องที่จะมาบอกกับท่านเรื่องอะไรล่ะบอกมาเถอะอุบาสกท่านจําได้ไหมตอนที่ข้าพเจ้าใส่บาตรท่านเช้านี้ มีคนมาตามข้าพเจ้าไปพบกับมัตฑยพราหมณ์จำได้เธอคงถูกมัตฑยพราหมณ์ว่าอาลลสิถูกแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าถูกมัณฑยพรามณ์ดุว่าและห้ามไม่ให้ข้าพเจ้าใส่บาตรแก่ท่านอีกถ้าไม่ฟังจะถูกลงโทษอย่างหนักข้าพเจ้าไม่รู้จะทำยังไงดีถ้าข้าพเจ้าไม่ใส่บาตรท่านก็จะต้องอดแน่แน่ข้าพเจ้าสงสารท่านเหลือเกินอุบาสกเลย เพียงแค่นี้อาตมาก็รู้ดีแล้วว่ามันติยาเป็นคนใจบาปหยาบชาจริจงดังที่ท่านเคยเล่าให้อาตมาฟังแล้วจะทํายังไงก็พอโจคิดอะไรไม่ออกเลยสมองตื้อไปหมดอย่าเพิ่งสิ้นหวังยังมีช่องทางที่เราจะช่วยกันแก้ไขต่อไปมีช่องทางมีช่องทางจริงๆนะเหรอท่านสมณะช่องทางนั้นมีแน่นอน ท่านจะได้กังวลไปเลยท่านสมณะจะทำยังไงช่วยบอกข้าพเจ้าหน่อยเอถอะเท่าที่อาตา ม, มาได้ฟังจากคำบอกเล่าของท่านรู้สึกว่ามันติยพราหมณ์เป็นคนตรนีจัดไม่ยอมเสียสิ่งใดแก่ใครโดยไม่มีผลตอบแทนในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนโลภจัดถ้าเป็นลาภผลที่จะได้แล้วเขาจะยอมทำทุกอย่างแม้จะเป็นทางโหดร้ายทารุณเบียดเบียนคนอื่นก็ตาม อาตมาคิดว่าถ้าเขาจะได้ลาภผลจากคนอื่นที่เขาแสนเกลียดเขาก็คงยอมคบค้าสมาคมกับคนที่เขาเกลียดนั้นเวลานี้เขาเกลียดท่านถูกแล้วเขาเกลียดอาตมาเพราะอาตมาเป็นสมณะซึ่งไร้ประโยชน์ในสายตาของเขาเขาจึงห้ามท่านไม่ให้ถวายพระทหารแก่อาตมาเพื่ออาตมาหนีไปจากที่นี้แต่ถ้าเชื่อแน่ว่าเขาจะได้ผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินจากอาตมา เขาจะต้องยินดีต้อนรับอาตมาอย่างนนั้นเลยอุบาสกเอ๋ยอาตมาจําเป็นจะต้องใช้วิธีหนามยอกอานามบงซะแล้วน้ํายอกหนามบงถูกแล้วอาตมาจะต้องขอความร่วมมือจากท่านท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยอะไรอ่ะท่านสมณะท่านเต็มใจหรือเปล่าละ่ะอุบาสกด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งทีเดียวแต่ว่าการช่วยเหลือของท่านเป็นการเสี่ยงอยู่มากทีเดียวเสี่ย ง, อ, งอย่างนั้นเหรอ ดีไม่ดีท่านอาจจะถูกลงโทษถูกลงโทษอย่างนั้นเหรอท่านสมณะถูกแล้วเพราะนี่เป็นการเสี่ยงถ้าพาดทางท่านต้องถูกลงโทษคิดดูให้ดีเรื่องนี้ท่านจะเปลี่ยนใจไม่ร่วมมือกับอัตมาก็ได้นะกัดใจยะนะถ้าข้าพเจ้าเปลี่ยนใจท่านจะทำงานตามแผนนี้ต่อไปไหม อาตามาจะทำต่อไปตามลำพังนั่นแหลอท่านสมณะใช่ตามลำพังอาตามาเป็นอันว่าท่านเปลี่ยนใจไม่ข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนใจคิดตัวให้ดีนะกัจจายนะท่านสมณะข้าพเจ้ามีชีวิตรอดมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะได้อาศัยการช่วยเหลือของท่านไม่อย่างนั้นแล้วป่านนี้ข้าพเจ้าคงตายไปแล้วข้าพเจ้ายังเป็นหนี้บุญคุณท่านอยู่ มีอะไรที่ข้าพเจ้าพอจะช่วยได้กรุณาบอกมาเลยข้าพเจ้ายินดีจะสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อสนองบุญคุณของท่านขอบใจมากอุบาสกท่านสมณะมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยบอกมาเถอะข้าพเจ้าพร้อมอยู่แล้วท่านพอจะบอกได้ไหมว่าอาตมาช่วยอะไรท่านประการแรกท่านสมณะช่วยข้าพเจ้ากับลูกชายให้พ้นจากการอดตายเป็นประการแรกใช่หรือไม่ใช่แล้ว ประการที่สองล่ะอาตมาช่วยอะไรท่านข้าพระเจ้านึกไม่ออกเห็นจะต้องขอความกรุณาจากท่านช่วยบอกอะไรคือประการที่สองที่ท่านช่วยประการที่สองอาตมาช่วยท่านได้เกวียนหนึ่งเล่มวัวหนึ่งคู่เสเบียนอาหารอีกมากมายแต่ก็ถูกมันติยะพราหมณ์ยึดเอาไปแล้วข้าพเจ้านึกออกแล้วท่านสมณะท่านเชื่อหรือไม่ว่า อาตมามีอำนาจสามารถที่จะให้ทรัพย์สมบัติแก่ท่านได้ข้าพเจ้าเชื่อถ้าอาตมาอยู่ที่นี่ต่อไปอาตมาจะให้สมบัติแก่ท่านมากกว่านี้และจะให้สมบัติอันมหาศาลแก่มันติยะด้วยข้าพเจ้าเชื่อถ้าอย่างนั้นวันพรุ่งนี้เมื่ออาตมาออกเป็นทบาตทขอให้ท่านใส่บาตรแก่ตามาอีกตามเคยเมื่อมันติยะพราหมณ์เรียกท่านไปสอบถามก็ขอให้บอกความจริงเหล่านี้แก่เขา ท่านพอจะทําได้หรือไม่ได้ท่านสมณนะข้าพเจ้าจะทําตามที่ท่านแนะที่ข้าพเจ้าจะต้องทํามีเพียงเท่านี้ใช่ไหมท่านสมณนะมีเพียงเท่านี้แหละถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอลา นี่ท่านเตรียมจะใส่บาตรอีกแล้วเนี่ยถูกแล้วข้าพเจ้าเตรียมใส่บาตรเมื่อวานนี้ท่านถูกนายเรียกไปว่าแล้วยังไม่เข็ดอีกเหรอเป็นความพอใจของข้าพเจ้าช่วยไม่ได้ข้าพเจ้า ส, งส า, าาสงสารท่านเไปแล้วสิกระเจนนะสงสารเหรอสงสารทําไม่ะเมื่อวานท่านถูกนายดุว่ามาทีละ ว, วันนี้จะไม่ถูกดุว่าอย่างเดียวท่านจะต้องถูกลงโทษหนักอีกด้วยฐานฝ่าฝืนคําสั่ง ข้าเจ้าไม่เข้าใจท่านเลยรู้ทั้งรู้เสี่ยงกับการถูกลงโทษมีอะไรที่ท่านต้องเสี่ยงบอกได้ไหมอยากรู้ก็ดูเอาต้องดูแน่ว่าแต่ว่าวันนี้ท่านสมณะจะมาหรือเปล่าท่านสมณะมาแน่ท่านพูดเหมือนกับจะรู้อย่างนั้นแหละรู้สิรู้ว่ายังไงท่านก็ต้องมานั่นไงมาโน่นแล้วนิมนต์ก่อนท่านสมณนะ เสี่ยงจริงๆข้าพระเจ้าเห็นจะต้องขอตัวไม่ส่บาตด้วยล่ะไม่อยากเสี่ยงเหมือนท่านตัดใจนะดูเหมือนมือท่านสั่นถูกแล้วท่านสมณะ มือข้าพเจ้าออกจะสั่นไปหน่อยคงเกิดจากความกลัวข้าพเจ้าไม่กลัวใจท่านไม่กลัวแต่สัญชาตญาณความกลัวยังมีอยู่กรนะจียนหนายท่านเรียกให้เรียไปหาเดี๋ยวนี้พราามัญยะเห็นข้าพเจ้าใส่บาตรท่านแล้วคงเรียกไปดุหรือไม่ก็ลงโทษพยายามทำใจให้ดีทำตามคาแนะนาของอาตมาที่บอกเมื่อคืนนี้อย่าลืมสะละ ข้าพเจ้าไม่ลืมหรอกข้าพเจ้าไปก่อนลนะท่านสมณะโชคดีนะอุบาสกกัดใจนะ ัดูนายท่านจะโกรธข้าพเจ้าใช่โกรธมันหรือด้วยเจ้าไม่ได้ท่าท่ชั่วนายท่านโกรธข้าพเจ้าเรื่องอะไรฮะยังจะมีหน้ามาถามก็จะทําอะไรเมื่อกี้ฮะข้าพเจ้าใส่บาสนั่นแหละเจ้าไม่ได้ท่าท่าชั่วข้าสั่งแล้วใช่ไหมไม่ให้ใส่บาสมาละล้นองนั้นทําไมเจ้าจึงมึงอาจฝ่าฝืนคาสั่งของข้าต้องการลองดีกับข้าใช่ไหม ข้าพเจ้าไม่กล้าบังอาจคิดอย่างนั้นไม่คิดแล้วทําไมเจ้าทำใครจะต้องลงโทษเจ้าอย่างนักให้สาสมกับความผิดข้าพเจ้ายินดีที่จะได้รับโทษฮะเจ้าว่าอะไรนะยินดีที่จะรับโทษจะข้างั้นน่ะถูกแล้วนายท่านข้าพเจ้ายินดีที่จะรับโทษทันทุกอย่างที่นายท่านให้แก่ข้าพเจ้าแต่จะให้ข้าพเจ้างดถวายพระทหารแก่สมณผู้วิเศษนั้น ถ้าพระเจ้าทำไม่ได้เจ้าเรียกสมณวิเศษใช่แล้วนายท่านเขาพระเจ้าเรียกอย่างนั้นเพราะอะไรเจ้าจึงเรียกอย่างนั้นเพราะท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพมีฤทธานุภาพยังไงท่านสามารถจะบันดาลอะไรให้แก่ใครก็ได้โกหกใครจะสามารถบันดาลได้ข้าพเจ้าไม่ได้โกหกใครอื่นบันดาลไม่ได้แต่ท่านสมณพุทธนี้สามารถบันดาลได้ ข้าพเจ้าประสบกับความทุกแทบตายแต่ก็รอดชีวิตมาได้เพราะอำนาจของท่านข้าพเจ้าได้เกวียนเล่มหนึ่งวัวสองตัวและสเสบียงอาหารสำหรับข้ามถิ่นกันดารก็เพราะฤทธิ์ท่านกัจเจน่ะที่เจ้าพูดมานั้นจริงอ่ะพิสูรรุปนั้นมีฤทธิ์จริงอ่ะมีจริงๆงนาย ท่านก็เห็นแล้วว่าข้าพเจ้าได้วัวได้เกวียนมาจริงๆเกวนและวัวข้าเห็นแต่จะได้มาอย่างที่พูดหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้ข้าพเจ้าได้มาอย่างที่พูดจริงๆสมบัติอันมีข้ามากมายเช่นนั้นทานหน้าอย่างข้าพเจ้าจะมีปัญญาหาเองได้ที่ไหนข้าพเจ้าขอรับรองว่าพระภิกษุองค์นั้นบันดาลให้ข้าพเจ้าจริงๆถ้าท่านอยู่ที่นี่ต่อไปอีก ข้าพระเจ้าอาจได้รับทรัพย์สมบัติอันมีค่าต่างๆอีกมากมายก็ได้แม้แต่ท่านเองก็อาจจะได้ด้วยฮะข้าได้ด้วยเหรอนายท่านจะต้องได้แน่นอนอืมน่าสนน่าสนใจมากหลักฐานพยานที่กัจเจนาเล่าให้ฟังนะับว่ามีเหตุผลสมควรเชื่อถือได้แลประการนึ่งก็เคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า มีนักโทดบางองค์ที่ปฏิบาาัติทางจิตจนสามารถมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารสามารถบันาลสิ่งต่างๆได้ถึงแม้จะไม่เคยประสบด้วยตัวเองและยังไม่เชื่อใจสนิทกตาพอย่างน้อยก็ควรจะลองดูเพราะไม่เสียหายอะไรถ้าภิกษุรูปนั้นมีลิทานุภาพจิงิงก็ได้ทราบต้นแบบรวยยิ่งขึ้นแต่ถ้าไม่มีลิทธ์ก็ไม่เสียหายอะไร ไล่ไปใส้ก้นหมู่บ้านก็สิส้นเทธิที่ข้าพเจ้าพูดมาทั้งหมดนี้เป็นความจริงนะท่านข้าพเจ้าไม่โกหกหรอกเอาล่ะเอาละกัดเจ น, นะข้าจะลองเชื่อเจ้าดูสักครั้งพวกมีเชาถ้าพิกสูรูปนั้นมาบินทบาตอีกเจ้านิมนต์มาพบข้าด้วยนะ ท่านสมณะเมื่อว่านเป็นยังไงบ้างกัดใจนะครับตอนแรกข้าพเจ้าถูกเล่นงานจะเอาเป็นเอาตายเครื่อพระเจ้าทําตามที่ท่านแนะนําตอนหลังมันติยพรามอ่อนไปมากแล้วเชื่อตามที่แนะนําหรือเปล่ามันติยพรามณ์ยังมีท่าทางลังเลอยู่ไม่เชื่อสนิทว่าจะเป็นไปได้และเช้านี้ข้าพเจ้านิมนต์ท่านไปพบบางทีท่านอาจทําให้เขาเชื่อก็ได้เชิญท่านไปพบมันติยพรามซะเดี๋ยวนี้เลย อาตมาจะไปเดี๋ยวนี้ ว่าท่านมันติยพรามต้องการพบอาตมาถูกแล้วข้าพเจ้ามีเรื่องบางอย่างที่จะถามเชิญท่านถามมาได้เลยท่านฉันพระทหารซะก่อนเถอะฉันเสร็จแล้วข้าพเจ้าจึงจะถามดีเหมือนกันอาตมาจะได้ฉัน ฉันเรียบร้อยแล้วท่านมันติยาพรามถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะถามท่านสมณะเสลยเชิญท่านถามเถอะข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าสมณะองค์นั้นมีฤทธิ์เดชอย่างนั้นองค์นี้มีฤทธิ์เดชอย่างนี้แต่ไม่เคยเห็นประจักษ์แกตาตัวเองข้าพเจ้าขอถามท่านว่าฤทธิ์เดชเป็นสิ่งมีจริงอยู่หรือเปล่าดูก่อนดูบาศ พระบรมศาสนาของเราตรัดแบ่งประเภทคำถามไว้สามประการด้วยกันคือประเภทที่หนึ่งควรตอบทันทีประเภทที่สองควรย้อนถามแล้วจึงตอบประเภทที่สามไม่ควรตอบเลยแล้วคำถามของข้าพเจ้าอยู่ในประเภทไหนท่านสมณะคาถามของท่านจัดอยู่ในประเภทที่สองควรย้อนถามแล้วจึงตอบถูกแล้วอตาตมาจะขอย้อนถามท่านก่อน เชอเลยท่านสมณะตัวท่านมีตำแหน่งเป็นนายบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมีค่าท่าบริวานมากอาตมาอยากทราบว่าท่านมีค่าท่าบริวานอยู่ภายใต้ครอบครองกี่คนประมาณหนึ่งร้อยคนท่านสมณะในจานวนค่าทาาบริวานห น, นึ่งร้อยคนนี้ท่านสามารถจะใช้คนใดคนหนึ่งให้ทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ได้สิท่านสมณะ อย่าว่าแต่ใช้ทีละคนเลยแม้จะใช้พร้อมกันทั้งหมดร้อยคนเขาก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งข้าพเจ้าดีมากอุบาสกที่ท่านสมณะถามมีแค่นั้นน่ะยังมีอยู่อีกงัก็ถามมาเลยอาตมาขอถามว่าถ้าอุบาสกชื่อกัจจายนะนี้ซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกับท่านมีร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกับท่านปรารถนาจะใช้ให้ท่าน ทำการงานอย่างไรอย่างเด่งของเขาท่านจะปฏิบัติตามคําสั่งของเขาหรือไม่ไม่ยังเด็ดขาดทําไมล่ะอุบาสกทําไมท่านจึงไม่ทําตามคําสั่งของกัจจายนะเขาจะบังอาจใช้ข้าพเจ้าได้อย่างไรท่านสมณะเขาเป็นท่านของข้าพเจ้าถึงแม้เขาจะใช่ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมปฏิบัติตามคําสั่งของเขาเป็นอันขาด ดูก่อนอุบาสกอัตมาอยากทราบว่าอะไรละ่ะเป็นเหตุทำความแตกต่างระหว่างท่านกับกัจจยนะทำไมท่านจึงใช้เขาได้แต่เขาใช้ท่านไม่ได้ทั้งๆที่เขากับท่านก็เป็นคนเหมือนกันดูก่อนอุบาสกด้วยตัวอย่างเพียงเท่านี้ท่านก็พอมองเห็นได้แล้วว่าฤทธิเดชเป็นของมีจริงคนบางคนมีฤทธิเดชมาก อาจจะบังคับบัญชาคนไปจํานวนร้อยไว้ในอำนาจได้คนบางคนมีฤทธิเดชน้อยท่านพอจะเข้าใจแล้วหรือยังพอจะเข้าใจแล้วท่านสมณะแต่ว่าเอ่เออะไรล่ะอุบาสกเข้าพระเจ้าไปในหมายถึงฤทธิเดชแบบนั้นแล้วฤทธิเดชแบบไหนล่ะที่ท่านหมายถึงเข้าพระเจ้าหมายถึงฤทธิเดชปฏิหารสามารถบรรดาลให้สิ่งต่างๆเกิดมีขึ้นเป็นไปตามปรารถนาได้ทุกอย่าง ถ้าอย่างนั้นอาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังอีกเชิญได้เลยสมเด็ตามีหน้าที่ในการดูรูปหูมีหน้าที่ในการฟังเสียงจมูกเป็นหน้าที่ในการดมกลิ่นใช่หรือไม่ใช่สมมุติว่าเราใช้ตาในการฟังเสียงใช้หูดูรูปจะได้ไหมบ้าเลยสิถ<ข>ามอะไรบะแบบนี้ ไม่น่าจะถามแบบนี้เลยท่านสมณะทำไมล่ะมันติยาพรามตาก็ต้องดูรูปหูก็ต้องฟังเสียงตามหน้าที่ของมันจะเอาตาไปฟังเสียงเอาหูไปดูรูปมันจะเป็นไปได้ยังไงก็เช่นเดียวกันนั่นแหละอุบาสกคนเราย่อมมีฤทธิ์เดชไปคนละทางในบ้านอย่างท่านมีฤทธิ์เดชอย่างหนึ่งข้าพเจ้าก็มีฤทธิ์เดชไปอีกอย่างหนึ่งท่านสมณะถ้าอย่างนั้นท่านก็ยอมรับว่า ฤทธิเดชปาฏิหารเป็นสิ่งมีจริงน่ะสิข้าพเจ้าอยากให้ท่านยืนยันข้อนี้อีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าข้าพเจ้าจะได้ปรงใจเชื่อสนิทเพราะข้าพเจ้าทราบดีว่าสมณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้พูดความจริงอัตมาขอยืนยันว่าฤทธิเดชปาฏิหารเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ท่านสมณศยืนยันลหรอใช่อาตมายืนยันท่านสมณศรียืนยันอย่างเงี้ข้าพเจ้าสบายใจและขอถามท่านอีกสักนิดเถท่านสมณศรีเชิญท่านมันติยพรามถามมาได้เลยข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชปฏิหารข้อ น, นี้เป็นความจริงหรือไม่ท่านทราบมาจากใครว่าว่าอาตมามีฤทธิ์เดชปฏิหารข้าพเจ้าทราบมาจากกัจจายนะ เขาเล่าให้ท่านฟังว่ายังไงบ้างเขาเล่าว่าท่านได้ช่วยชีวิตเขาไว้และยังได้บรรดาให้เขาได้วัวหนึ่งคู่เกวียนหนึ่งเล่มแล ะ, สะเสบียงอาหารเต็มเกวียนอีกด้วยข้อนั้นเป็นความจริงนับว่าเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าท่านว่าเป็นโชคอันประเสริฐของท่านอย่างนั้นเหรอ อุบาสกมันเตียถูกแล้วท่านสมณะเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าจริงๆข้าพเจ้าขออนุญาตขออนุญาตอะไรอุบาสกข้าพเจ้าอยากเข้าไปใกล้ท่านกว่านี้อีกสักนิดทาไมจะต้องเข้าใกล้อัตมาด้วยละ่ะมันเป็นความสุขใจของข้าพเจ้านะท่านสมณะถ้าเช่นนั้นเชิญท่านกระเถิบเข้ามาได้เลยดูท่านยิมย้มแย้มแจ่มใสเลยเกินอุบาสกมันเตียแน่ละ่ะสิ ข้าพเจ้ามีความหวังแล้วนี่ท่านมีความหวังอะไรความหวังในตัวท่านไงท่านหวังอะไรในตัวอาตมาท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เดชได้พบท่านวันนี้นับเป็นโชคอันประเสริฐของข้าพเจ้าโชคอันประเสริฐยังไงข้าพเจ้าจะได้พึ่งท่านข้าพเจ้าขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ท่านด้วยท่านจะเป็นสิทธิ์อาตมาเลยถูกแล้วโปรดกรุณาสงสารข้าพเจ้าด้วยเถท่านสมณะ อาตมาย่อมสงสารผู้ที่ควรสงสารไม่สงสารผู้ที่ไม่ควรสงสารท่านสงสารคนเช่นไรไม่สงสารคนเช่นไรท่านสมณะอาตมาสงสารผู้ที่มีความทุกข์ไม่สงสารผู้ไม่มีความทุกข์อย่างข้าพเจ้าเนี่ยควรได้รับสงสารหรือไม่ท่านมีความสุขหรือความทุกข์ล่ะข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหัสท่านสมณะท่านนเลยมีความทุกข์ ข้าพเจ้ามีความทุกข์อย่างสาหัสจริงๆท่านสมณะติข้าพเจ้าจึงสมควรได้รับความสงสารจากท่านอย่างเต็มที่อัตมาไม่เชื่อหรอกว่าท่านมีทุกข์ทำไมท่านไม่เชื่อข้าพเจ้ามีความทุกข์จริงๆนะท่านจะมีทุกข์ได้ยังไงในเมื่อท่านเป็นถึงนายบ้านมีทรัพย์สมบัติและค่าทาาบริวารมากมายท่านสมณะตข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพราะความวิตก ท่านเป็นทุกข์เพราะความวิตกถูกแล้วท่านสมณะข้าพเจ้าวิตกกังวล น, นานาประการเป็นกังวนใจว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่จะสูญเสียไปโดยภัยพิบัติต่างๆต้องเอาใจใส่ตรวจตราดูแลควบคุมรักษาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาถึงกระนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ต้องการข้าพเจ้าต้องตื่นแต่เช้า รับประทานอาหารอย่างรีบร้อนแล้วก็ลงมือทำการงานทั้งภายในบ้านและก็นอกบ้านจนกระทั่งบ่ายจึงกลับมารับประทานอาหารกลางวันปัญหาต่างๆในตอนเช้ายังตามมารบกวนจิตใจทำให้ต้องคิดอย่างหนักรับประทานอาหารกลางวันนิดหน่อยแล้วก็เริ่มทำงานต่อจนกระทั่งเย็นปัญหาก็ยังไม่หมดปัญหาอะไรของอุบาสกปัญหายุ่งยากที่พบในตอนบ่ายนั่นไง ท่านสมณะปัญหาในตอนบ่ายนั่นแหละตามารบกวนกจิตใจในตอนเย็นอีกรับประทานอาหารเย็นอย่างรีบร้อนแล้วก็นั่งทํางานในบ้านจนดึกตื่นจึงข้าวนอนท่านรู้ไหมข้าพเจ้านอนอยังไงท่านนอนไม่หลับใช่แล้วข้าพเจ้านอนไม่ค่อยหลับสนิทเพราะความเป็นห่วงกังวล น, นี่แหละอืมแล้่ว่าท่านมีความทุกข์มากทีเดียวใช่ ใช่จริงๆท่าสมณะท่านก็ทราบแล้วข้าพเจ้าเป็นทุกข์มากเพียงใดดูเหมือนว่าข้าพเจ้ากินได้น้อยนอนได้น้อยยิ่งกว่าบรรดาพวกท่านกรรมกรของข้าพเจ้าซะอีกยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ายังมีโรคประจําอีกด้วยท่านเป็นโรคอะไรโรคปวดท้องและก็โรคปวดศีรษะรักษาหรือเปล่ารักษารักษาอย่างไงก็ไม่หายนี่แหละขอให้ท่านได้โปรดสงสารข้าพเจ้าด้วย เขาจะได้ฟังมัญติยาคามปัญญาอันนี้มองเห็นได้ชัดแล้วว่าเขามีความทุกข์จริงการที่จะเทศนาสั่งสอนให้คนที่มีทุกข์อยู่แล้วร่วมใจย่อมไม่ทางสาเร็จได้ง่ายมันติยาคามเริ่มเห็นทุกข์ในความมั่งมีแต่ยังไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเท่านั้นจึงยังหลงยึดมั่นอยู่ในทรัพย์ ก่อนอุบาสกเท่าที่ได้ฟังท่านบรรยายมาอตมารู้สึกว่าท่านเป็นบุคคลที่น่าสงสารเห็นไหมล่ะข้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสงสารจริงๆแต่ว่าถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วยังมีคนอีกเป็นจํานวนมากน่าสงสารยิ่งกว่าท่านใครที่น่าสงสารกว่าข้าพเจ้าทาทกรรมกรของท่านไงล่ะท่านเป็นทุกข์เพราะความมีแม้จะทุกข์มากมายขนาดไหน ก็ยังมีปัจจัยต่างๆสำหรับบรรเทาทุกข์ท่านยังมีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองได้ยังมีทรัพย์เป็นเครื่องประกันความมั่นคงในอนาคตไม่มีวันจะอดตายส่วนบรรดาทาสกรรมกรของท่านเป็นทุกข์เพราะความไม่มีเขาอาศัยท่านเลี้ยงชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อใดท่านไม่ให้เขากินเขาก็มีหวังอดตายเพราะไม่มีอะไรเป็นของตัวเอง ไม่มีอิสรภาพที่จะจัดการกับตัวเองต้องคอยรับคำสั่งจากท่านต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตั้งแต่เช้าจดเย็นอยากจะหยุดพักผ่อนก็ทำไม่ได้อาตมาจึงเห็นว่าบรรดาพวกทานกรรมกรเป็นคนที่น่าสงสารมากกว่าท่านท่านสมณะข้าพเจ้ายังมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งซึ่งบรรดาพวกทานกรรมกรของพระเจ้าไม่มี ทุกของท่านนั้นอะไรล่ะอุบาสกข้าพเจ้าดูเหมือนว่ามีศัตรูคอยจ้องจะทำรายท่านน่นหละมีศัตรูคอยจ้องจะทำร้ายถูกแล้วท่านสมณะใครล่ะที่คอยจ้องจะทำรายท่านในบรรดาท่านกรรมกรของข้าพเจ้านี่แหละทั้งหมดเหรอ ในจำนวนร้อยคนข้าพเจ้าวางใจได้จริงๆเพียงสิบกว่าคนเท่านั้นนอกนั้นวางใจไม่ได้เลยรู้สึกว่าเขาจะมีความโกรธแค้นชิงชังข้าพเจ้าอยู่ในใจจ้องคอยโอกาสที่จะเข็นฆ่าอยู่ทุกเมื่อบางคนก็หลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าข้าพเจ้าได้ทราบว่าขณะนี้มีกองโจรขนาดใหญ่อยู่ในป่าไม่ไกลจากหมู่บ้านของเรานะักโจรเหล่านี้กาลัง กำลังทําไมอุบาสกมันกําลังวางแผนจะเข้าปล้นบ้านข้าพเจ้าแล้วท่านป้องกันยังไงข้าพเจ้ายังไม่ได้ป้องกันอะไรทั้งนั้นเพราะขณะนี้ข้าพเจ้ามีแต่ความทุกข์ใจกับข่าวที่ได้รู้มานี้ท่านสมณะนี่ความทุกข์ใหญ่ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังเลยเพิ่งจะเปิดเผยให้ท่านฟังเป็นครั้งแรกนี้เองเมื่อได้รู้ความจริงจากอุบาสกข้อนี้แล้ว อาตมาก็เห็นแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความทุกข์อย่างแท้จริงควรจะได้รับความสงสารและการช่วยเหลือจากอาตมาอย่างแท้จริงจริงเหรอท่านสมณนะจริงสิอาตมาจะช่วยเหลือท่านโดยใช้ฤทธิ์เดชของอาตมาเองขอพระคุณท่านสมณนะขอพระคุณจริงๆ เจ้าพวกนี้ออกไปให้หมดข้าจะอยู่กับท่านสมณะตามลำพังท่านสมณะเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านจะช่วยข้าพเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของท่านใช่ไหมถูกแล้วอัตมาจะช่วยท่านต้องการอะไรก็บอกอัตมามาเถอดท่านสมณะข้าพเจ้าต้องการเป็นเศรษฐีมีทรัพย์แปดสิบกดขอนิมนต์ท่านให้ทรัพย์แปดสิบกดแกข้าพเจ้าณนะบัดนี้ด้วยเถิดเดี๋ยวกรอุบาสก อาตอมานั่งสมาธิสักครู่ก่อนต้องนั่งสมาธิทำไมอีกเพื่อจะดูอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านต้องดูอีกเหรอต้องดูเอาละ่ะ